ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงว่าความริษยาทำให้โรกจิบหายบาลีว่าอารติโลกะนาศิกาและว่าเมื่อใดความโรกครอบงำแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดบอดบาลีว่าอันท่าตมังตาโาหติยังโลโภสหเตนรังมืดเหมือนคนตาบอดในที่มืดธรรมดานั้นคนตาดีถ้าจ้องนานๆเข้า อาจพอเห็นอะไรอะไรลางๆได้บ้างแต่มือดอย่างคนตาบอดนั้นมืดสนิดเลยไม่เห็นอะไรเลยแม้มีแสงสว่างสักพันแรงเทียนหมื่นแรงเทียนก็มองไม่เห็นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนว่าโลภนักลาบหายและอย่าถมน้ำลายรถฟ้าย่าปาธุลีทวนลมคนถมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายไปไม่ถึงฟ้า แต่มันจะกระจายลงมารถหัวคนถมนั่นเองคนป่าทุลีทวนลมก็เช่นกันทุลีมันจะย้อนกลับมาโปรยปลายลงบนหัวหรือตัวของผู้ป่านั่นเองจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถ้าในเรื่องสามก๊กหรืสยาของแบ่งเส้นจนรากเลือดตายด้วยเหตุ น, นี้ขอให้ลูกหัดมุทิตาไว้มากๆเมื่อใจเปี่ยมอยู่ด้วยมุทิตาแล้ว ความริษยาก็เข้ามาไม่ได้หัดชมคนให้เป็นยติเป็นอย่างเดียวแต่ให้ชมตามความเป็นจริงอย่าเพียงแต่พูดเพื่อเอาหน้าเพื่อเยินยอซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแต่มุทิตามีศัตรูใกล้คือความร่าเริงเกินไปศัตรูไกลคือริษยานั่นเองอาจเป็นผลเสียอีก ลูกจะสังเกตเห็นคนที่ไปกินเลี้ยงสแสดงมุติตาจิตกับเพื่อนฝูงบางทีก็กินมากเกินไปโดยเฉพาะของเมาคือเหล้าและเบียร์เมามากเพราะยินดีมากก็เกิดอันตรายต่างๆขึ้นเช่นทะเลาะวิวาทกันหรือขับรถกลับบ้านชนรถอื่นซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเป็นอันตรายแก่ตนและผู้อื่นเป็นเหตุให้เสียชีวิตเสียทรัพย์เป็นต้น เพราะร่าเริงเกินไปติดไปข้างประมาทมีสถิติออกมาว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น9ก้าสิบเปอร์เซนเนื่องมาจากคนขับรถเมาเหล้าลองคิดดูเถิดว่าน่าสังเวชเพียงไรคนเรานั้นแม้ไม่เมาเหล้าก็เมาอย่างอื่นมากอยู่แล้วมีสิ่งย้อมใจมากมายเหลือลน้นเช่นเมาลาบยศสันเสริญสุขเป็นต้น เมื่อเมาเล่าเข้าอีกทําให้ใจต้องเมาเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีทําให้จิตใจของเราชุ่มชื่นอยู่ด้วยความดีของผู้อื่นและความดีของตนเห็นความสุขความสําเร็จของผู้อื่นเช่นเดียวกับความสําเร็จของตนเป็นบุญอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าบุญที่ได้จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อื่นหรือ ปัตตานุโมทนาไม่เมื่อเราพอใจต่อความดีอย่างใดมากๆเสมออีกหน่อยเราก็ทําความดีเช่นนั้นได้และเป็นคนดีเช่นผู้ที่เรานิยมชมชอบได้การที่จะให้มุทิตาแผ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นมุทิตาสากลได้นั้นจะต้องทําลายแดนหรือกําแพงแห่งการถือเขาถือเราไม่ยึดถือว่า นี่พวกเรานั่นพวกเขาแต่ทำใจให้พรอยยินดีต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนมองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะน่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากก็คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คือการุณาเมื่อเขาได้ดีมีสุขก็พรอยยินดีท่านกล่าวว่าความทนไม่ได้เพราะความการุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษคือท่านผู้มีอัธยาศัยใหญ่ทั้งที่เป็นชายและเป็นหญิงบางคนมีใจคับแคบแบ่งพวกเขาพวกเราในขอบเขตแคบๆเช่นนั่นวัดเขานี่วัดเรานั่นนิกายเขานี่นิกายเรานั่นจังหวัดเขานี่จังหวัดเรานั่นภาคเขานี่ภาคเรานั่นศาสนาเขานี่ศาสนาเรา นั่นพักเขานี่พักเรามีความแข่งดีกันซึ่งเป็นอุปกิเลตตัวหนึ่งเรียกว่าสารัมพะแข่งแย่งกันมุ่งร้ายต่อกันริษยากันไม่ยินดีต่อกันซึ่งล้วนเป็นเหตุแห่งความพินาศทั้งสิน้นจริงอยู่มนุษย์เราต้องมีการแบ่งบ้างแต่ไม่ใช่เพื่อให้ถือเขาถือเราอันเป็นเหตุให้คิดไม่ดีต่อกันเราแบ่งเป็นหมวดหมู่ กลมกองและอื่นๆเพื่อแบ่งงานกันทําแบ่งหน้าที่กันทําเพื่อสะดวกแก่การควบคุมการบริหารการปกครองแต่มีจุดหมายเดียวกันคือความเจริญรุ่งเรืองความสุขและความดีของมนุษยชาติเราต้องคิดให้ได้ว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเป็นสัตว์โลกร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเมื่อเข้ามีความสุขความสําเร็จดี ก็เป็นประโยชน์แก่เราด้วยคือเขาไม่ต้องมาเบียดเบียนเราไม่ต้องมารบกวนเราเมื่อเราลำบากจะได้พึ่งเขาได้ด้วยจะไปริษยาเขาทําไมบางคนริษยากันแม่ในหมู่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงแต่พอเขาตกต่ำลำบากตนเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะเขามาถือเราเป็นที่เกาะที่พึ่งกันลงนางไปหมดการช่วยให้ผู้อื่นประสบความสุขความสําเร็จ และยินดีต่อความสําเร็จของเขาจึงเท่ากับช่วยเหลือตัวเองไปด้วยตรงกันข้ามการทําลายผู้อื่นเท่ากับทําลายตัวเองไปด้วยขอให้ลูกคํานึงถึงเรื่องนี้จงหนักแล้วฝึกฝนกจิตใจของตนให้พลอยยินดีต่อความสุขความสําเร็จของผู้อื่นประดุดความสําเร็จของตนสังคมของเรายังกระทบถึงกันอยู่ทั้งส่วนดีและส่วนชั่ว มองอะไรให้มองอย่างกว้างและเป็นเส้นสัมพันธ์อย่ามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเพราะทามองอย่างแคบและเป็นเส้นตรงจะทําให้เป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เข้าใจผู้อื่นเราต้องไม่เป็นโรคสแสลงดีคือเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้แต่เราต้องชื่นชมต่อความดีทั้งของผู้อื่นและของตนส่งเสริมให้ตนเองและผู้อื่นดาเนินอยู่ในทางดียิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยความรู้สึกเช่นนี้ใจของเราจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงให้ชุ่มเย็นและมีสิ่งที่จะต้องทําอีกมากสําหรับเพื่อนมนุษย์ขอให้ลูกจําไว้ว่าความดีทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจก่อนอย่าลืมแสดงความยินดีต่อความสุขสําเร็จของตนเองด้วยเสมอเสมออย่างเงี ย, งยบๆเป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มพูนความสุขและสมรรถภาพในการทํางานของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยรักและคิดถึงเสมอพ่ออาพรประดับใจข้อที่สผูอเบกขาลูกรักเมื่อตอนที่แล้วพ่อได้พูดถึงอาพรประดับใจเรื่องมุทีตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอย่าลืมยินดีกับความสุขความสำเร็จของตนด้วยเพราะคนที่ไม่รู้สึกยินดีพอใจเสียบ้างเลยนั้นจิตใจจะเหืดแห้ง ถูกความอยากเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอเหมือนหม้อน้ำเปล่าซึ่งไม่มีน้ำตั้งอยู่บนเตาไฟนักปราชญ์กล่าวว่าความสันโดษคือความรู้จักพอใจนั้นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมและเป็นทรัพย์อยู่ในตัวความมีพรานามัยสมบูรณ์เป็นลาบอันประเสริฐสุดอย่างหนึ่งคราวนี้พ่อจะพูดกับลูกเรื่องอุเบกขาอันเป็นอาพรประดับใจข้อที่สี่ อุเบกขามีความหมายหลายอย่างหลายระดับจะกล่าวแต่โดยย่อห 1. อุเบกขาคือการวางใจเฉยหรือวางใจเป็นกลางไม่ดีใจหรือเสียใจในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้คือเมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตาแล้วต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายในบางกรณีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงๆเขาทำตัวเขาเอง ถ้าเราไม่วางใจอุเบกขาเราก็วุ่นวายเกินไปและไร้ประโยชน์ตัวอย่างเช่นญาติพี่น้องของเราซึ่งเราหวังดีต่อเขาอยากช่วยเหลือเขาและดีใจเมื่อเขาประสบความสุขความสาเร็จแต่ถ้าเขาไปทำชั่วเองเราห้ามแล้วเขาไม่ฟังจนไปถึงติดคุกเป็นต้นหรือได้รับความลำบากอย่างอื่นอันเป็นผลแห่งกรรมของเขาเองส่วนวิสัยที่เราจะช่วยได้ ในกรณีอย่างนี้ท่านสอนให้เราวางใจเฉยเสียเพราะวุ่นวายไปก็ไม่มีประโยชน์หรือถ้าจะช่วยเขาให้ได้ก็อาจเสียความยุติธรรมซึ่งเราต้องรักษาเหมือนกันความเป็นธรรมในสังคมเป็นสิ่งสำคัญสาหรับผู้อยู่ร่วมกันในสังคมในกรณีดังกล่าวนี้ท่านให้เราเจริญธรรมข้ออุเบกขาโดยการพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ้องตน มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยต้องเป็นทายาทแห่งกรรมผู้ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วก็ทำตัวของเขาเองนรกสวรรค์ไปแทนกันไม่ได้